50 languages. Five. Five. Countries and l a n อมาจากลอนดอนจอ h n l o n น o n to ayah hai. l o อยู่ในประเทศอังกฤษ ลอนดอนกรีบริเตนเวชิสต์ตัตต์เขาพูดภาษาอังกฤษโออังกฤษีบลดาเฮาเรียมาจากมาดริดมาเรียมาดริดตัวไอเฮาอยู่ในประเทศสเปนมาดริดสเปนเวชิสต์ตัตต์เฮาพูดภาษาสเปน โอสเปนิชพูดดีเหรอปีเตอร์และมา่ามาจากเบอร์ลินปีเตอร์และมาธาเบอร์ลินตัวเองันบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอร์ลินเจอร์มันีเวสหคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมคิดถึสองเมือเจรมนสัก ลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนดอนเอกราชाานีเห็นมดิและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมมดิทและเบอร์ลินวิราชตานีเเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังรา ज ตานีอาว व ทि य ाละเชอร์โนลเปียหุ่นดีเห็น ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปป์์ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอ ฟ, ฟริกามสริกเวชสติท์เประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญี Japan, Asia, ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาอยู่ที่อเมริกาเวชิสต์ตัประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามาณดัมริกาเวชิสต์ตัตต์แประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บ् र ाิล ल द ชนีอเมริกาเวชิสต์ตัตต์แ